ตอนเกิดเป็นดังตรินตอนอนาคตอันมืดมนในสมัยวัยรุ่นความรู้เกี่ยวกับอดิตชาติแม้กระท่อนกระแท่นแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้ผมเห็นตนเองต่างไปจากเดิมเช่น เมื่อทราบว่าช่วงท้ายของชีวิตก่อนมีการหลบหนีอะไรบางอย่างก็ปฏิติดปต่อได้ถูกว่าผลของการหลบหนีนั้นส่งผลสำคัญให้ชาติปัจจุบันถือกำเนิดด้วยดวงจิตที่มีกำลังอ่อนใครก็ตามที่ถือกำเนิดด้วยดวงจิตที่มีกำลังอ่อนส่วนเลือกจะรู้สึกเหมือนอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงไม่มีแก่ใจจะทางานใหญ่ให้สาเร็จ แนวโน้มจึงเป็นพวกท่าดีทีเหลวเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าแม้ตั้งใจทำอะไรจริงก็ท้อถอยง่ายอยากปล่อยภาระไว้แบบคาราคาซังโดยรวมจึงขาดความเชื่อมั่นในตนเองนั่นคือความเป็นผมในช่วงต้นชีวิตนิมิตในช่วงต้นไม่ละเอียดพอจะช่วยให้รู้ว่าผมหนีอะไรมาทราบแต่ว่าหนีสำเร็จแล้วสบาย แต่เป็นความสบายที่ต้องแลกด้วยศักดิ Espero, a al a al ์ศรีและความนับถือตัวเองไม่ต่างจากทหารหนีทัพแม้ลอยตัวเหนือความลำบากสาหัสในสมอรภูมิสำเร็จก็มองเงาตัวเองในกระจกได้ไม่เต็มตานักนอกจากการได้รู้จักความเป็นมาของตนเองดีขึ้นนิดนึงผมยังได้ข้อสรุปว่า แม้ชาติภพและการเวียนว่ายตายเกิดจะมีจริงแต่หนึ่งชาติก็มีค่าไม่ต่างจากฝันข้ามคืนเท่าใดนักเพราะทุกชาติจะหายไปและถูกลืมราวกับคลื่นกระทบฝั่งแม้คุณจะเคยระลึกชาติได้หรือกระทั่งสั่งสอนผู้คนให้เชื่อเรื่องภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอเกิดใหม่คุณจะกลายเป็นคนไม่รู้อะไรเลยสงสัยและต้องค้นหาคำตอบ แบบเสียงถูกเสียงผิดไม่ต่างจากคนธรรมดาครั้งแล้วครั้งเล่าเอาล่ะรู้เฉพาะตนว่าชาติก่อนมีจริงรู้ว่าการทําอะไรไว้ในการเกิดครั้งโน้นมีผลกระทบจังๆกับการเกิดครั้งนี้เสร็จแล้วยังไงต่อคำตอบไม่ได้แบอยู่ตรงที่เรารู้ว่าพบชาติมีจริง ตราบใดยังไม่มีคำถามที่ชัดเจนว่าจะเอาอยางไรกับชีวิตจะรู้อะไรแค่ไหนก็ไม่ใช่คำตอบไปทั้งนั้นจากความอยากรู้คำตอบเกี่ยวกับอดีตชาติแปลเป็นความอยากได้คำตอบเกี่ยวกับอนาคตอย่างรุนแรงไปแทนช่วงมัธยม5ผมรู้สึกอัดอั้นตันใจเป็นอย่างยิ่งกับการถามตนเองว่า วันหน้าจะเลือกเรียนให้จบปริญญาตรีด้านไหนดีรู้แต่ว่าถ้าคิดจะมีชีวิตอยู่ในระบบทุนนิยมอย่างสบายไม่ไอายใครจะอยากหรือไม่อยากเรียนก็ต้องเรียนจะพร้อมหรือไม่พร้อมเลือกก็ต้องเลือกเกือบทุกเย็นผมจะเดินทางกลับบ้านอย่างคนที่รู้สึกหงอยหงอยเฝ้าย้ำถามว่าตัวเองเกิดมาทาไมจะเอาสาระอะไรจากชาตินี้ อีกปีกว่ า, วาจะเอนทรานส์เข้าคณะอะไรได้การตอบตัวเองไม่ถูกทำให้ผมค่อยๆหดหูและซึมเศร้าลงทุกทีนึกเกลียดอนาคตแต่ก็เหมือนถูกเงื่อนไขต่างๆบีบบังคับให้ผูกใจไว้กับอนาคตไม่เลิก หลายวันหลายเดือนเข้าอยู่ๆผมก็เริ่มฉลาดขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือบอกตัวเองว่าที่ต้องกลัดกลุ่มอยู่กับอนาคตอันมืดมนก็เพราะปัจจุบันไม่มีไฟให้ความสว่างฉายไปข้างหน้าเหมือนอย่างคนอื่นเขา <IT> <S <S เพื่อนๆหลายคนคุยเฟื่องเรื่องความตั้งใจจะเป็นวิศวกรจะเป็นหมอจะเป็นตำรวจแต่ละคนเหมือนถูกอาชีพหนึ่งจองตัวไว้แล้วก็แค่ค่อยๆเดินตรงไปสู่อ้อมแขนของอาชีพนั้น วันนี้กับวันพรุ่งของพวกเขาเหมือนถูกเชื่อมต่อให้ติดแน่นเป็นอันเดียวกันไม่ต้องเพ่งมองให้เมื่อยก็เห็นชัดถนัดใจอยู่แล้วเมื่อจุดมุ่งหมายชัดชีวิตก็ปรากฏเหมือนโจทย์ที่เข้าใจง่ายผมตัดสินใจจะหาใจจริงให้เจอเพื่อวันหน้าจะเอาตัวรอดได้อย่างเพื่อนๆบ้างผมพร่ำบอกตอนเองว่าชีวิตจะง่าย ถ้าตั้งโจทย์ให้ถูกแต่ให้เด็กอายุ 16-17 สดหาใจจริงให้เจอตั้งโจทย์ชีวิตของตัวเองให้ถูกเนี่ยยากนะครับคนแค่หยิบมือเดียวที่มีสิทธิ์รู้ ต, ตัวตั้งแต่เนิ่นๆว่าตนมีใจให้กับอะไรอยากทำอาชีพแบบไหนถึงเวลาคนส่วนใหญ่ก็แค่บอกตัวเองว่าฉันจะเลือกเรียนคณะนี้ละ่ะแต่นับหัวได้ที่บอกตัวเองว่าคอยดูเถอะ ต่อไปฉันจะเป็นหมายเลขหนึ่งของวงการเนี้ยสำหรับผมอย่าว่าแต่คิดแข่งเอาความเป็นหนึ่งกับใครแค่นึกถึงการเลี้ยงตัวให้รอดก็ผะอืดผะอมเต็มกลืนแล้วฉะนั้นก้าวแรกของการแสวงหาใจจริงให้ตัวเองจึงต้องตัดความคิดแข่งขันหรือกระทั่งกวดให้ทันคนอื่นออกไป สิ่งแรกและสิ่งเดียวที่ต้องหาให้เจอคือไฟเท่านั้นไฟในความหมายของแรงบันดาลใจกับไฟในความหมายของแสงสว่างของชีวิตถ้าเป็นของจริงแท้สำหรับใครมันต้องเป็นไฟดวงเดียวกันนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมพบด้วยชีวิตตนเองในเวลาต่อมาครับ